كما بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون وَمَن ْ يُطعِ ق اللَّه َ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّه َ وَيَتَّقُ فَوُلَاء إ ِ ك َ ه ُ م ُ الْفَائِزُ و فَوُلَاء إِكَاهُمُ الْفَائِزُ و أ َ ق ْ س َ م ُ و ا بِاللَّهِ ج َ ا ه د أ ا م َ ا ن ِ ه ِ م ْ ل َِ ن أَمْرَ ت َ و م َ ل ي َ خ ْ ر ج ُ ل َِ ن أ َ م ر ت م لَيَخْرُجُ ولا تقسموا طاعتم معروفة إن الله ق ِ ي ر بما تعملون إن الله قدير بما تعملون قل أعطِ الله و َ أ َ ع ط الرَّسُولَ ف َ إ ِ ن ت َ و َ ل َّْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمْلٌ وعليكم محمّلتم و إ ي ا ُ أ ُ ت ِ د ُ م وين تطيعه تدوم وما على الرسول إ ل ل ب ل ا ه المبين وما على الرسول إلا ل ب ل ا ل م ب ي ن بسم الله الرحمن الرحيم ال إ ุณาอัลลอฮ์ผู้ทร ن س ม ع ต ن กรุณาอ ف ลล و ฮ์ผู้ทรงเม ن ตากรุ ن า س ัล و อฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาอั ل ลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาอัลลอฮ و ผู้ทรงเมตตากรุณาอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาอัลลอฮ์ผู้ทรง Allahumma bika َ s b a h n a wa bika a m s a y ن a wa الل ي i k a nahiya wa bika namutu wa ilaikan musur أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم ربي بالله رب وبالإسلام دينا و م م ب م ح د الرسول Allahumma inni a'uzu bika min al-kasal wa shu'ul kibri Rabb a'uzu bika min adabin fil nari wa adabin fil kabri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องที่ร่วมนั่มาธิุ่งเที่มัสยิดของ Allah ที่ร้างครับ Alhamdulillah ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับ ให้หัวใจของเรานี่ผูกพันกับอลรรย์โยมกับอลรรย์ตลอดเวลาการศึกษาหาความรู้เนี่ยมีอยู่สองแบบนะมีความรู้จบเป็นยาเอกเป็นยาโทเป็นยาตีแต่ความรู้นั้นไม่ได้ทำให้เขาโยงกับอลรรย์เลยนะครับความรู้ประเภทนี้เยอะมากครับในโลกจบ ปัญญาเอกปัญญาโทปัญญาตรีแต่ความรู้นั้นนไม่ได้สอนให้เขาโยอมกับอัลลอฮ์เลยแต่ความรู้ที่อิสลามสอนก็คือจะจบอะไรก็าตามความรู้ทั้งหมดนั้นทําให้เขาโยมกับอัลลอฮ์สุบฮานหัวตายความรู้ที่โยมกับอัลลอฮ์นั้นเป็นความรู้ที่ทำให้เขาอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เหมือนกับบรรดาซอฮบะของท่านนาดีเนี่ย ความรู้ที่เขาได้รับตัอท่านน่ดีเป็นความรู้ที่โยงกับอลัลลอฮ์หมดเลยก่อนหน้านั้นนะ่ะที่เขาเรียนกันมาเนี่ยจะเป็นกี่ปีก็ตามบรรดาสวา่านอบดีความรู้ที่เขาได้รับก่บอิสลามนั้นไม่โยงกับอลัลลอฮ์เลยนะ่ะเอาขอยกตัวอย่างอย่างเราเรียนน้ามหาวยลัยเนี่ยผมก็เรียนมาเองนะเช่นเขบอกว่าชาญเดวินชานดาวินสอนบอกว่ามนุษย์เนี่ย วิวัฒนาการมาจา ก, จากอะไรลิงแล้วพอพอมาอ่านกูณอ่านาพัฒเนี่ยอัลลอ์นะอนะละก้อนอีกอัลล์สร้างมนุษย์มาจากอาดัมอามาจากดินอันลลอฮ์สร้างมนุษย์มาสี่แบบหนึ่งไม่มีพ่อและไม่มีแม่คือสร้างอาดัมสร้างแบบที่สองผ่านพ่อไม่ผ่านแม่คือโตฮาวาหรือนาง นางอีฟนะฮาวะฮาวมามะเราเนี่ยมาคนแรกแบบที่สามผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อคือน บ, บีอิสลาห์อิสลาห์เราแล้วลพวกเราวันนี้เนี่ยมีทั้งพ่อและมีทั้งแม่มีกล้าหรือไม่มีกล้านะว่าอีเรื่องนึ่งนะทา น, นการสร้างของอัลลอฮ์นั้นอะ่ะมีอยู่สแบบถ้าใครที่เรียนความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์นี่นะแล้วทำใม้เขาโยงกับอัลลอฮ์กับความรู้ที่เชื่อว่า มนุษย์พิวัฒนาการมาจากลิงเ น, น, นี่ยอันไหนจะส ง, ง่า ง, งามกว่ากันโยงกับลิงไปโยงกับนบีอาดัมและอาดัมเป็นนบีของอัลลอฮ์แค่นี้เองเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นละฉะนั้นความรู้ทุกชนิดจะให้ลูกเรียนวิชาอะไรก็เรียนไปเถอะแต่ถ้าหากว่าความรู้ที่ลูกเรียนนั้นน่ยไม่ได้สอนให้ลูกเนี่ยโยมกับอัลลอฮ์เป็นความรู้ที่ขาดทุนทั้งดุนยาและอาเซรอ อย่าไปเจ็ไปเสียใจทีหลังอัลลอฮ์ถ้าฉันรู้ฉันงีเ้เรียนความรู้ที่ผ่านโยงกับอัลลอฮ์ก็จะดีนี่ก็ขอฝากให้พวกเราคิดคิดต่อด้วยนะครับขอบคุณอัลลอฮ์สุภานุตาลานะครับเวลาเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ให้ว่าภาษานี้อัลฮัมดุลิลลัลแปลว่าอะไรบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ก็บอกให้ลูกเราหลานเรา ให้นึกถึงอัลลอ์ให้ขอบคุณอัลลอ์ว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมาลายกากจะแถมก็จะเติมว่าไงรอบบิลลาเลมีเรื่องนี้นะผมอ่านจากหนังสือของอุลมาของอ่มุฮัมมัดบินอลัลบูฮาร์บีนั่นแหละฮาบีนะล <laughs> าบ <laughs> แล้วก็ท้ารอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์ยูรบบิลลาเมีน มาเลกาจะขอดวงอาอัลลอฮุมมักฟิร์ลีรัมบิกะโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับบาปของท่านคนนี้ด้วยคนที่อ่านอัลฮัมดุลิลลอฮิรับบิร่าเลมอัลลอฮ์นี่แนมะ้ะนั่นยอมกับอัลลอฮ์ให้ทุกรายการเนี่ยจะดีมากเลยนะวันนี้เรามาถึงอายะความจริงอายะวันนี้น่าจะเป็นสหสิบสองนะครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยอธิบายแปะอย่างเดียวมันจะมันจะอธิบาย กอ่นซ้ำอครั้งหนึ่งนะครับอินนาม่ากาณาเ م ลล์มุม ذادعاء إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقول سمعنا وأطعنا و َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هُمُ الْمُفْلِحُونَ <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الله أكبر <وبرك> <تصفيق> إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا و ؤ ل ا ء ک ه م ا ل م ف ل ح و ن ا ل ح م د ل ل ه ا ل ل ه أكبر ดูดูคำแปลนะกลอาลมทธิมุ่นเนี่ยแปลว่าคำกล่าวของบรรดาผู้ศรัทธาคำกล่าวของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ย หรือคนที่ชมรายการทีวีเนี่ยนะสุบนรหญยก็เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับอลัลลอฮ์เนี่ยต้องการจะเปรียบเทียบ <c oughs> ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเวลาเขาเอา่ยแต่ละคําแต่ละคําออกไปเนี่ยอลัลลอฮ์พอใจหมดเลยแต่คนโุนาฟิกเนี่ยเอ่ยอะไรไว้กว็าตามโอ้โหคนหน้าไหว้กับกับกรอกแค่มาคนโุนาฟิกหรือคนกาเฟตมุชลิศเนี่ยกลุ่มใหญ่ในโลกนี้นี่นะ พูดแต่ละคำเนี่ยอัลลอ์ไม่พอใจเนี่ยอัลลอ์เล่าให้ฟังนะสังเกตง่ายๆอ่ะมาดูก็พูดว่าไงครับอิจาดูอาอิละลอฮิวารอซูลีเมื่อพวกเขาอิจาแปลว่าเมื่อดูเอาแปลว่าถูกเรียกร้องแล้วก็ถูกเชิญชวนนะครับคนมุสลิมเนี่ยเวลาอัลลอ์เชิญหรืออัลลอ์เรียกหรือว่ารอซูลเชิญรอซูลเรียก เมื่ออัลลอฮและละซูลเรียกร้องเขาเมื่อเขาถูกเชิญชวนถูกเรียกร้องให้ไปหาอัลลอฮฺและลซูลอย่างพวกเราเนี่ยถูกเชิญชวนเนี่ยมาเนื้วันอีดจะมาใช่ไหมวันนี้วันที่สองวเวยสิใช่ไหมฮุลฮิญาดวันที่เก้าเนี่ยนบีเชิญชวนให้เราถือศีนอดในวันอุคู แล้ ว, าว่านนะครับเราน้อมรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺทันทีเห็นไหมเห็นอย่างครับในว่าอัลลอฮฺเนี่ยเชิญชวนอะไรเชิญชวนผ่านนาบีอัลลอฮฺเราน้อมรับคมด้วยเลยละแล้วก็วันที่สิบสิบสามใช่มที่สิบสองวันอีดนี่ยวันที่สิบสามสิบสองอ่ะวันจันนะอ้าวั น, นที่สิบสองทำด้วยเลยละก็ทุกคนเนี่ยน้อมรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺ ออกไปนามาต์อีกลางสนามมุสลัน่ะนะไปนามาตกันพร้อมหน้าพร้อมตากันฮทำดลแลๆที่จะ น, นามาตนามาตอี ก, กต้องตื่นไวหน่อยต้องตื่นตีเท่าไหร่พราที่นี่เขนานมาเจ็ดโมงนะนามาตอีตินะ <c oughs> อีดอัปฮากับอีดฟิตรี่เนี่ยสองนามาตอีเนี่ยให้ให้นาม า, าต์เช้าทั้งคู่ดูแล้วแต่ว่าใครไวกว่ากันใครช้าวกว่านี่ฮะดีสองอ่านพวก อดจิลู อ, ลอัลบฮานมาตอัลบฮานมาตอีดอีดยายนี้นะให้ไวกว่านมาตอีดอลสุดทีให้ไวกว่านิดนึงอย่างนมาตอีกครั้งที่แล้วเนี่ยเรานมาตอีกประมาณเจ็ดโมงสิบห้าใช่ไหมอ้าเจ็ดโมงสิบห้านมาตอีดนี่ยต้องให้ไวกว่านั้นสักสิบห้านาทีเป็นเจ็ดโมงท่านใครที่อยากจะนมา อีดกลางลานการแจ้งนะเป็นซุนนาของท่านนาบีก็ต้องตื่นไว้หน่อยแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวให้สวยใสกลงค น, คนเครื่องหอมแล้วก็เดินออกจาก บ, บ้านนะแต่ต้องละหมาด ก, ก่อนนะมักมาณนะหมาที่บาสติตมาซุบโบแล้วก็ไปนั่งที่กลางลานก็อัลลอฮหัวแอกบัลอัลลอเราได้ปฏิบัติตามคำเชิญชวนของอัลลอทั้งหมดเลยตรงนี้องการจะเตือนบอกว่า แท้จริงอินนามาก้านาเก้าลุลมุมินีนแท้จริงคำกล่าวของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องถูกเชิญยังอัลลอฮ์แล้วก็วารซูลิฮีแล้วก็ถูกเชิญให้ไปรับคำคำสั่งของรอซูลคือนบี ม, มุฮัมมัด ส, สลลัวะ ส, สัลลัมลิยัฮกูมาใบนาฮุมเพื่อ เพื่อให้ท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยจะได้ตัดสินในระหว่างพวกเขาคือต้องการจะอธิบายแบบว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องขัดแย้งกันนะมีหรือว่ามุมินกับคนกาเฟตขัดแย้งกันมุมินกับยะฮูดีก็ขัดแย้งกันมุมินกับพวกมุนาฟิกเมื่อการมีการขัดแย้งกันยันครั้งที่แล้วเนี่ย มีมุนาฟิกกับยิวยัฮูดีแต่ขัดแย้งเรื่องที่ดินใช่ไหมเสร็จแล้วอัลลอฮ์สัออส่งบอกว่านาบีสั่งบอกไปไปหานาบีเพราะว่านาบีไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอาไ้อ ไ, อไม่เอาเนี่ยอัลลอฮ์ท้าว่ากลัวอะไรกลัวว่าอัลลอฮ์จะเข้าข้างคนผิดหรือไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่เคยเข้าข้างคนผิดนะอัลลอฮ์จะเข้าข้างคนถูกเสมอไปฉะนั้นจะหาว่า ต้องการจะเตือนว่ามุมินมุสลิมเราเนี่นะเวลาขัดแย้งเรื่องมรดกยกตัวอย่างง่ายๆกนแล้วกันนะขัดแย้งมรดกผู้หญิงได้หนึ่งส่วนผู้ชายสองส่วนเอมองดูแล้วฉันได้ขาดทุนเยอะผู้ชายมันได้สองผู้หญิงได้หนึ่งฉันไม่เอากฎมาอิสลามไม่เอาไม่เอาฉันไปหาศาลธรรมดาดีกว่าศาลโลกดีศาลเมืองไทยนี่แหละให้คนกาเฟตมาตัดสิน ได้เท่าเท่ากันอันนั้นจะสรางงานงประการเออได้เท่าๆกันที่ดีกว่าต้องทำใจอ่ะท่า น, นเมื่อคัดกรณีขัดแย้งในเรื่องที่ดินเรื่องมรดดกพยายามยึดอัลกุรอานยึดสุนนะของท่านนาบีแล้วก็ปรึกษาการคุยกันฉะนั้นงานทุกอย่างจบยระการเจราจาใช่หรือไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายกันัางการสายมีภรรยาจบประการเจราจาทั้งหมด โลกที่ทะเลาะกันนะต้องจบด้วยการเจราจาการนี่แหละฟาอสลิหูบวยนะอาขวาอิกุมแก้ไขปรับปรุงดูแลซึ่งกันและกันนะครับนั่นคือกฎที่อัลลอได้วางไว้นะทีนี้บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเมือม่อเมื่ออัลลอ์เชิญชวนเขาไปหาอัลลอฮ์และไปหารอซูนเนี่ยเขากล่าวว่าไงนะไอ้กูลูพวกเขาเพียงแต่กล่าวว่า สามัญนาวาอาตอแปลว่าเราได้ยินแล้วแล้วเราก็เชื่อฟังปฏิบัติตามเลยนี่ความสง่างามของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺทีนี้คงว่ามุมินีเนี่ยหมายถึงบรรดาซหวฮบานาบีอายานี้นะหมายถึงบรรดาซัวฮบานบีทั้งหมดเนี่ยที่อัลลอพอใจแล้วก็กล่าวชมว่าไงนะรอยลลอฮุ อันอ้นหุ้มหัวรอดูอั้นถบรรดาซอบ้านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่อลัลลอฮ์พึงพึงพอใจพราพพวกเขาพึงพอใจต่อคำสั่งของอลัลลอ์แล้วก็และอลัลลอ์ก็พึงพอใจในตัวของบรรดาซอบ้านนบีทั้งหมดเพราะว่าทุกคำสั่งที่ออกมาจากอลัลลอ์ทุกคำสั่งที่ออกมาจากท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยปฏิเสธเลยนะสามีอาณาวะอตอาณา เราได้ยินแล้วเราน้อมรับที่จะนำมาไปปฏิบัติเลยนี่คือความประเสริฐของมุสลิมความดีของมุสมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานาบุวะตะเ Ala ฮัมมุลิลลาหมูบ่บ้านมุสลิมเนี่ยสังเกตง่ายๆอ่ะถ้าคนมานะมาสุบ์ที่มัสยิดนี่แสดงว่าใช้ได้แล้วตื่นสุบ์นี่มันจะของมัใช่ของงานงานง่ายนะนัก ถ้าไม่อ่านดูอาก่อนนอนไม่แปลงฟันก่อนนอนแล้วก็ไม่ขอดูอาก่อนนอนไม่อ่านอนาชีพุสลิมก่อนนอนแล้วก็ไม่เนียดก่อนนอนเนี่ยตือนไว้ไหมนะ่ะยางผมยังมาขึ้นอาก บ, บ้านนะ่ะสิบเอ็ดโมงครึ่นอ่ะไม่น่าไม่น่าจะขึ้นไวนะ้อ่ะพราะมาขึ้นไปอบรมมีน้องมุสลิมาที่ไหนนะ่ะมึ้งควางอนะ่ะจากบึ้งควางมางเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงอนะ่ะอย่างงี้เป็นต้นแค่นั้น การนอนแต่หัวขําเป็นสุนนะนบีแล้วก็นอนตามสุนนะนบีมุสลิมปฏิบัติตามนาบีหมดเลยนอนแต่หัวขําแล้วตื่นตอนตีเท่าไหร่นะก่อนนมาสุโบสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยห้ามดูเ ล, ลยเลยใบหน้าเนี่ยสดใสใบหน้าเนี่ยไม่แก่เราใช้อะไรปรผสมด้นะน้ำมันน้ำมันมากอกออลแล้วห้ามดูเลยน้ำผึ้งสัก ช้อนหนึ่งอินพารามสักเม็ดหนึ่งสองเม็ดสามเมตรมันจสา3สี่กิโลนะเอาแค่เม็ดสองเม็ดพอแล้วตามสุ น, นาท่านนาบีพระสุขภาพแข็งแรงลฮัมดูแ ล, ลแข็งแรงเพื่ออะไรเอามาประกอบอิบาดาห์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลานะครับบรรดาสว่านนบีนะครับ พวกเขาเมื่อเขาถูกเชิญไปยัง Allah, องัลลอฮ์ไปยังเราซูลการพูดแบบไงนะสามีอาณาวะอัตนาฉันจะยินแล้วฉันน้อมรับคำเชิญชวนแล้วฉะนั้นเด็กมุสลิมเด็กมุมินเราเนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์สั่งในพระยาวฝึกลูกให้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะแน่นอนครับเด็กๆมันก็ไม่ชอบเราปลุกมนมาแนะมนเนี่ยมเด็กไม่ชอบมันก็ดามาด่าดา่ดาในใจนะ่ไม่กล้าด่าแรงนะ แล้ก็ฝึอกออกอ็ไหว้ฝึกก็ไหว้เดี๋ยวพอ่อพ่อมันคือนบีศอนนี่ทําอะไรฝืนใจอยสักระยะหนึ่งให้ฝืนก่อนนะฝืนใจสักระยะหนึ่งสักเดือนสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวต่อมานะไอความฝืนใจมันเกิดหมดประเพปฏิบัติความเคยชินก็จะตามมาพอชินชินชินแล้วทำครั้งที่สามเนี่ยทําแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอรรรคเป็นขั้นเป็นตอน ขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์อธิบายเรื่องอย่างนี้เอาไว้ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาลาอิยูวะสัลลัมเนึ่งฝืนสองความเคยชินอันที่สามย่ำหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะอยาคูลูสามิอานาวะอัล้นานี่ต้องการจะชมซอบ้านนบีพาอบรรดาซอบ้านนบีที่อัลลอ์รักเพราะเป็นมัมอัดกันทั้งหมดนั่นแหละรับอิสลามปั๊บนี่เปลี่ยนแปลงหมดเลยเนี่ยสมิอานาวะอัอน ฉันได้ยินแล้วว่าอัลลอ์สั่งอะไรนบี น, นำอะไรออมาสอนน้อมมาไปปฏิบัติทันทีทันใดแล้วเป็นยังไงครับวูเลอีกะฮูมุลมุฟเลฮูนคนเหล่านี้แหละเขาพวกเขาเป็นผู้เจริญมุฟลิะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จนี่ไงใช่หไหมรางวัลที่อัลลอ์สัญญาไว้กับคนที่เชื่ออัลลอ์ปฏิบัติตามอัลลอ์ เชื่อนบีปฏิบัติตามนาบีพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่มุฟเละได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาสิร์อัลฮัมดุลิเลาะอัลลอฮฺอัลบาชนะนั้นหัวใจของเรานนัต้องผูกพันกับอัลลอ์าหาความรู้เรียนความรู้ความรู้ที่โยงกับอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาแลานะทีนี้คนถ้าหากว่าและกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ตอต้านเนี่ยเขาว่าไงนะ สามีอาณาวะอาซอยนาอาซอไปวะทรยดฉันได้ยินแล้วฉันไม่เชื่อแลเห็นไหมเนี่ยคู่กันสามีอาณาวะอาตอนานี่กุมพุทธทาตลตบรมรดาซอบ้านนาบีบรรดาอุลมะอับอลิหินอัชวะดาสามีอาณาวะอาตอนาได้ยินแล้วเราน้มรับแล้วมาดูอีกกลุ่มหนึ่งสามีอาณาวะอาซอยนาได้ยินแล้วฉันไม่เอาเห็นไมต่างกันไม โอ้โหย่ามาฟ้าก็ดีเลยเห็นมาแต่ชีวิตการเป็นโยมดวงยานี่ยเอาล้อให้พอๆกันนั่นแหละแต่ข้างในต่างหากข้างในเนี่ยเอาล้อมองคนที่ข้างในพวกขวัญอธิบายนิดนึงนะรู้จักเขาว่าลูกมารไวนะ้ละได้ยินเขาว่าลูกมานใช่ไหมมันจะเป็นนบีนะเป็นคนดีคนหนึ่งเขาอบรมลูกของเขาดีมากไปมาดูหน้าตาของลูกมานนะ่ะลูกมา น, นี่ยเป็นคนผิวดําผิวดํา แต่ในสายตาของพวกเราเนี่ยมองคนผิวดําเนี่ยคงข่านจะดูถูกดูแคลนนะนะแต่ไม่ใช่อย่าไปดูถูกแล้วนี่สอนนะสอนตัวเท่านี่นะอย่าดูถูกดูแคลนคนผิวดําท่านลุกมาเนี่ยผิวดํำยังไม่พออีกนะตัวไม่สูงตัวร้ายตัวเ ต, ตี้ยอีกแล้วก็อ้วนอีกแล้วก็ริมฝีปากเนี่ยเป็นไงหนาถ้ามองรูปร่างของท่านลุกมาเนี่ยไม่ได้สวยตรงไหนเลย แต่อัลลอ์ยกย่องท่านลูกมาในคัมภีกุรอานเพราะท่านเนี่ยมีคำพูดมีคำสอนมีอตคีดาที่สอนดีมากเลยนะแล้วตัวชริกบิลลลูกเอย๋ยอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อินนัสเซละจารุลมุนาซีมแท้จริงการตั้งภาคีกับอัลลอ์นั้นชอบไปหาตัวตะเกียร ต, ต, ตัวระยองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะมันเป็นบาปอันใหญ่หลวงมันความเป็นความอาธรรม ท่านแต่ละข้อแต่ละข้อที่ท่านลุกมารสอนเนี่ยอลัลลอฮ์พอใจอะ่ะเดี๋เอาคําพูดของท่านเนี่ยเอามาบรรจุไว้ในกัฟิกอัอ่านเพื่อให้มุสลิมเนี่ยเอาคําพูดเหล่านี้นะ่ะเอาคําสอนเนี่ยไปสอนต่อกับลูกของเขาหลานของเขาแต่มองหน้าตาเนี่ยโอ้โหไม่น่ามองตรงไหยเลยแต่ว่าคําสอนดีไหมดีอลัลลอฮ์ไม่ได้มองคนที่หน้าตาอลัลลอฮ์ไม่ได้มองคนที่ร่ํารวยหรือโจนแต่อลัลลอฮ์มองคนที่หัวใจ อัลฮัม well, ดุลิลละครับเอาต่อมาครับอายาที่ห้าสิบสองวเมนุติ عله ورسوله ويخشى الله ويتقه فلا يكمل فائزون วเُนุตย์อิลล่าฮَวะรสน์َละวَัَชัลลอฮ์วยัตตับฮีَาุลัยกะฮุมุลฟาอิَุนอัลฮْมดِุิลลาฮ์ดมากครับพี่น้องมาดูสัตวนะครับมันจะว่าผู้ใดยุติ อยู่เตีย้ยแปว่าเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ผู้ใดที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอ AH, าาัลล์ว่ารอซูลและฮและรอซูลของพระองค์<ม>วายักษ์ศลลอขายาอยากชาแปว่ากลัวและเกรงกลัวต่ออัลลอ์ยังไม่พออีกครับวายักตกหี แล้วก็สำรวมตนตักวาเนี่ยแปลว่าสำรวมตนจากความชั่วอันที่แรกกลัวอัลลอ์อันที่สองก็กลัวมักนการแต่พูดสับใหม่สำรวมตนต่ออัลลอฮ์ฟาอูอีกะฮูมุลฟาอีซูนพวกเขาเป็นผู้ดียวรับความสำเร็จต้องอธิบายอธิบายยังไงในตับซีตอิบนุกะซีตอธิบายดีนะก็บอกมีอยู่วันหนึ่งนอุมดริัลลอฮนซาอุมอด น, มนะ เรื่องสมัยพันสี่รอปีนะมาเล่าให้ฟังไซนาอุมัดเนี่ยนมาที่มัสยิดนบวีพอนมาเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ที่มัสยิดแบบละเล่เาเนี่ยยืนที่มัสยิดมีคนต่างถิน่นเดินมายืนคู่กับท่านไซนาอุมาดเลยมายืนคู่กันพอยืนคู่กันเสร็จแล้วก็ท่านก็กล่าวนะอัลชาดุลลอิลาฮิลลอห์ ว่าฉาดูอันนะมุฮัมมัดอัลลอซูลลอห์ประกาศปฏิญานตนยืนริมไสนาอุมัติมัสยิดนับวีนบีเสียชีวิตแล้วนะฉันขอปฏิญานตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญานตนว่ามุฮัมมัดนี่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ไซนาอุมัตมามองเป็นอะไรไปด้คนมาจากไหนอ่ะทําไมมาเ่าวกลีมาริมริมฉันเพราะอะไรบอกว่า ฉันนี่นะอ่านคำภีรมาแล้วเนี่ยนะหนึ่งคำภีจะบทอ่านแล้วสองภีร์อินจินอ่านแล้วสามคำพีเตาร้องอ่านแล้วอ่านมาหมดแล้วแล้วก็คำภีรเริเ่มอื่นๆที่ชาวโลกเขาอ่านนี้นะฉันอ่านมาหมดแล้วอะแต่พอมาได้ยินกูรานเนี่ยฉันเปลี่ยนความรู้สึกหมดเลย ได้ยินเมื่อไดมีสาว บ, บ้านอบคนหนึ่งถูกจับฉันเนี่ยก็เดินผ่านที่เขาคุมคุมขังเขาจับเนี่ยนะไม่ใช่ที่ที่อะไรนะกตาโนโ ม, โมนะไม่ใช่นะอันนี้มามาทีหลังฉันก็เดินผ่านเขาเขาอ่านกุรอ า, านในคุกเขาอ่านกุรอ า, านในห้องขังเ็าเนี่ยก็อ่านว่าไงอันอะไรนี้ ว่าไม่ยุติอิลลัลลาห์ ورسوله ويخش الله ويتقهي فوله إكره مل فائزون คนอยู่ในห้องขังอยู่ในคุกเขาอ่านกุรานกันเป็นยังและคนนี้นะ่ะอ่านคำพี ม, มาแล้ว 3-4 มสฉบับ 3-4 เล่มไม่เคยได้ยินคุรานพอเดินผ่านได้ยินคนคุกอ่านยืนฟังอ่ะ ว่ไม่ยุติอิลลัห์วาระสุลลัหวาย خش ัลลอหวายตักีฟาอุลัยกะหุมุลฟาอิจุลฉันเข้าใจคุรานเลยนี่มัวรับนะเพอัลลับรับอิสลามเนี่ยพอจะยินคุรานปับขเขายืน อ, อธิบายให้ไยนะอุมัิฟังเลยฉันเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะหนึ่ง ว่าไม่ยุอิแล้คําแปลก็คือผู้ใดที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์หมายความว่ายังไงคําสั่งของอัลลอฮ์ที่เป็นฟารดูทั้งหมดยุติแล้วนะครับว่าผู้ใดที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรที่เป็นฟารดูวาจิบทั้งหมดนะครับลุกุลอานเนี่ยเชื่อและปฏิบัติตามแบบอัตโตะนะ วาสมยะสามิยะนาวะต่อมาได้ยินแล้วฉันน้องรับแล้วเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองว า, าซูรลลหูเชื่อฟังปฏิบัติตามวอสูนอะไรที่เป็นคำสั่งของนบีเรียกว่าสุนัขานาบีเนี่ยยึดปฏิบัติตามหมดเลยคำว่าวาสูรนี้หมายถึงของที่เป็นสุน่ า, าเสร็จอะไรบ้างข้าวห้องน้ำ <c oughs> ด้วยเท้าอะไรเท้าทราย แล้วก็มีดูอาอ่านจะเข้าบ้านให้อ่านดูอาบิสมิลลาเข้ามาัสยิด้วยเท้าขวาแล้วอ่านดูอาอ um ah ัลลอฮุมมัฟตัฮลีอบบาบารอฮ์มาจิกเวลาจะนอนให้แปรงฟันอาบน้ำนำมาตะปัดที่นอนแล้วก็ยกมือก่อนเป่ามือแล้วก็ลูบไปที่ตัวนอนจะแคงขวาเอามือขวาจับแก้มขวานี่เป็นสุนัขของท่านนาบีทั้งหมดรวไปถึงเนี่ยวันที่เก้าอะไรนะ สุหฮิญ่เนี่ยวันอาราฟาวันบุกฟุฟเจ้าถือสินลอดที่เป็นสุนัขนะดีทั้งหมดเขาเรียกคนมอุอสลามนะเขา้าใจยังไงอ่ะเก่งไหมศสนาอุมัมจาแม่นเลยแล้วก็มาเล่าต่อไงเรื่องที่หนึ่งว่าไม่อยู่ต่างอินละใครที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรที่มาจากอยู่ใ น, นกลภงพีกุงอ่านทั้งหมดเชื่อหมดเลยประการที่สองที่ท่านนับีมาอธิบายมาสาธิตเนี่ยเราก็เชื่อและปฏิบัติตามหมดเลย แล้วเป็นไงครับต่อมา ว, วายักษชะลอเรื่องที่สามาำวายักษชะลากลัวอโลกอธิบายอย่างงี้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตที่ผ่านมานต้องต่อเป็นหนุ่มเป็นสาววันนี้อายุยกตัวอย่างอายุห้าสิบยกตัวอย่างวันนี้เราว่าอายุห้าสิบตั้งแต่อายุเนี่ยอาเกินบาเรียกมามาถึงวันนี้ทําความผิดอะไรบ้างมีไหมมีครับ เต็มเลยใช่เลยไม่ใช่ตาบ้าตัวซาอัสตากิรุลลอฮวาอตูบุรีไลฉันขอสรารภาพผิดตอ่ออัลลอ์นะฉันไม่เคยรู้จักอลัลลอ์วันนี้มาเรียนาศาสนานะเปลี่ยนแปลนตัวเองให้กล้าว่าไงนะอัสตากิรุลลอฮวาอตูบุรีฉันขอสรารภาพผิดตอ่ออัลลอ์นะฉันขอกลับเนื้อกลับตัวต่อนะอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะอะไรผิดตบาตให้ฉันด้วย ต่อมาก็เรื่องที่สี่วายัตตักฮียัตตักฮี่แปลว่าสำมรวมตนต่ออัลลอ์หมายความว่ายัางไงคนมุลัมรับอิสลามมธิบา ย, ยางไงใช่ไหมชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่จนกว่า จ, จะตาจะเป็นกี่ปีก็ตามทำไงประคองตัวเองอย่าําผิดพูดดีไหมอัลลอฮ์อักบะด์ซนามาดว่าอัลลอฮ์พูดดีจริงจริงและเอามาสอนให้ เพื่อนๆสซ บ, บ้าด้วยการฟังฉะนั้นอายานี้มีกี่เรื่องนะสี่เรื่องใครอธิบายนะเขาเขาเขาขได้ยินใครแต่ใครมาแล้วมาสรุปง่ายๆก็คือว่ามูอัลลับรับอิสลามคนนี้อ่านคำพีตาร์มาแล้วซาบุตมาแล้วอินยีนมาแล้วแล้วก็สุขคบต่างๆของบัติผ่านนบีมาทุกผ่านมหมดแล้วพะมะอมาเจอกุณอ่านเนี่ยยอมจำนวนเลยแค่อายานี้อายาเดียวได้ยินมาจากไหนคนคุก ถูกติดคุกเสร็จแล้งอ่านอน้ายานี้มันได้ข้อความเยอะหนึ่งคนคุกสมัยก่อนเขติดคุกเขาทำไรกันเขาอ่านคุรานกันคุกสมัยนี้อ่านเป่าผมไม่มั่นใจออกมาเนะี่ยเก่งกว่าเก่าอีกใช่ไปอยู่ข้างในเนี่ยไม่เพื่อไอะไรก็ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มีหลายคนก็พยายามไปสอนคนในคุก <c oughs> ก็ดีไหมดีเหรอทำอยู่เรื่อยก็สอนกันเถอะ ควาจริงมุสลิมนะ่ะท่านผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะเสนอนะมุสลิมติดคุกเนี่ยถ้าท่องจาํากุรานอยู่ในคุกได้ออกเลยที่สูดานเขาทำกันแบบนี้นะผมมีเพื่อนสูดานหลายคนเขาว่าที่สูดานใครติดคุกก็ตามแต่ยึดติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยนะถ้าท่องจาอรรําอัลกุรอานนะออกเลยไปนั่งท่องสักสองปีสามปีฮาฟิอย่า ง, ง, อ ง, อ ง, องนะเอตันรอนอะไนะอลอไว้ไว้ออกจากคุก ถ้าเข้าใจคุณอานจะเป็นคนเลวได้ไหมคนเน่ะเป็นไม่ได้ก็เป็มคนดีทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันรับรับอิสลามคนนี้ <c oughs> อธิบายยังไงนะว่าไมยุตยอิลล์ใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์หมายถึงว่าคําสั่งของอัลลอฮ์ที่เป็นฟารดูทั้งหมดนํามาไปปฏิบัติวาอซู ล, ละหูแล้วก็เชื่อฟังรอซูอธิบายยังไงของที่เป็นสุนนะทั้งหมดที่ท่านนาบีทา น, นั้นนําำมาไปปฏิบัติ เรื่องที่สมวายักษ์ชลลกรัวอัลลอฮ์หมายความว่าชีวิตที่ผ่านมาทําอะไรผิดพลาดกับเนื้อกับตัวเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนดีแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอิสลามข้อที่สวายักตักพีทะไรนะให้กลัวอัลลอฮ์สำรวมตนต่ออัลลอฮ์หมายความว่าให้ประครองตัวเองชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจนกว่าจะตายอย่าทำบาปอย่าทําชีริกอย่าเป็นกุฟ ขอรยต่ออัลลอ์อย่าทำบิณะพยายามไรนะรักษาตัวเองให้ดีถ้าทำสี่ข้อนี้แล้วเป็นไงครับคำสรุปจาก q u r า n f a u อัลลออักุบาดพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ได้รับความสำเร็จอายาแรกเนี่ยอ่านว่าไงนะ ฟาูละว่า bueno. ูละอก็ห <Environmental Dominican> ูมูลมุฟลิฮูนเชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์จะได้รับความสาเร็จเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าูละฟาูละอีก็มูลฟาอิดูนเชื่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามสุนนะนบีแล้วก็ต่อบาตัวต่ออัลลอฮ์ขอที่ผิดผิดที่ผ่านมาชีวิตที่เหลืออยู่ประคองตัวให้ดีฟาูลอกมุลฟาอิูน เขาเหล่านี้เป็นผู้ได้รับความสําเร็จแน่นอนท่านดุลยาและอาคีรอชายนาวมาดพอได้ยินชากคนี้อธิบายเรื่องอักุรอานให้ฟังท่านพูดบอกว่าอูตีตุยาวะเมีอุลกลิมท่านนาบีเคยพูดบอกว่าคําพูดของนบีที่อัลลอฮ์ประทานออมาเนี่ยนะอูตีตุยาวะเมีอิลกลิมความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์นี่นะเป็นความรู้ที่สั้นแต่มีความหมายกว้าง คำพูดสั้นแต่ความหมายกว้างเรากินใจเ้าเรียกว่าเนาี่อุกกาลิมอัลลอฮฺบรรยินใหญ่เลยผมอ่านทัดิสพบเนี่ยใครที่มีของเยอะๆเนี่ยเวลาหายไม่รู้จริงมากจริงบางคนมีเสื้อร้อยชุดเปิดตู้โอ้โหเต็มหมดเลยอหายสักห้าตัวเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมน่ะจริงครับรองเท้าก็เหมือนกัน กังเก็เหอกมนกั น, กนมีเป็นร้อยตัวเนี่ยหายเพิสักห้าตัวเนยไม่รู้กาซูเราว่าอัลฮานบีพูดคำพูดสั้นแต่ว่ากินความเยอะจานั้นอย่ามีอะไรเยอะมีคนกาเฟนอยู่คนหนึ่งมีภรรยาไม่รู้ว่ากี่คนเวลาไปนอนกับภรรยาเนี่ยถามว่าเธอชื่ออะไรลืมชื่อดีอะดีหมัลโลอาร์ตวันไม่น่ะ ใช่ดุ้งยาเปืองแล้วก็ผิดสุนัขนาบีด้วยฝืนคำสั่งอัลลอฮ์ด้วยคนคาเฟ่์นะนี่เล่าใจเป็นน้องฟังฉะนั้นอย่ามีอะไรเยอะมีน้อยน้อแต่มีกุรภานมีอัคราของท่านนาบีเยอะๆอยู่ในร่างกายเราเนี่ยสง่างามมากเลยห้ามเด็ดลยนะกับ <c oughs> เอาต่อมาครับอายะที่เท่านี่ทีนี้อายะนี้อัลลอฮุลมะอธิบายดีนะ ผมอ่านหนังสือเป็นภาษาอุรดูเนี่ยเขา อ, อธิบายว่าคนที่จะปฏิบัติตามนาบีเนี่ยต้องมีสิบข้อใครบันทึกบันทึกเลยนะคนที่จะปฏิบัติตามนาบีจริงๆที่ว่าเรียนสุนนะนบีปฏิบัติตามนาบีสุนนะนบีต้องเข้าใจสิบข้อที่ว่าตามเราสูนนั่นแะหละนะทำสิบข้อนะทำไม่ครบก็ลำบากพยายามทำให้ครบสิบข้อ ข้อที่หนึ่งคนมุสลิม น, นะหนึต้องศรัทธาต้องอีมานว่านาบีมุฮัมมัดนั่นเป็นนบีของอัลลอฮ์ต้องเป็นคนสุดท้ายด้วยนะไม่มีนบีไม่ต้องรอนบีอีกแล้วคนยุคก่อนเนี่ยอย่างนาบีอิสามาเนี่ยเขาสอนนะหลังจากนาบีอีซาหลังจากฉันจะมีนบีมาอีกคนหนึ่งก็นั่งรอกันแต่พวกเรานี่ไม่ต้องรอแล้วนบีมุฮัมมัดเป็นนบีท่านสุดท้าย ต้องบิลีฟต้องอีมานนะต้องเฟซตงุใจอย่างมั่นคงนะฉันเชื่อว่ามุฮัมมัด้เป็นนบีของเราเรื่องที่สองครับอัลบาอูแปลว่าทําตามนบีทําตามนบีทําตามอย่างเดียวนะครับนบีสั่งอะไรทำตามทําตามทําตามทําตามแต่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจพยายามทําตามยกตัวอย่างง่ายๆครับแมลงวันตกไปไหนภาชนะ นบีสั่งให้ทําไงนะไม่ให้โยนน้ําชาเนี่ยทิ้งนะครับในแกงเนี่ยมแมลงวันตก โ, โหทําไงนะกินไม่ได้โยนทั้งถ้วยยายายาให้เอาช้อนเนี่ยกดมแมลงวันให้จมนี่นบีสอนเพราะว่าปีกหนึ่งเป็นยาอีกปีกหนึ่งเป็นโรคมันได้จัดจานกันเองมันอยู่ในอยู่ในน้ําแกงน้ําชามื่อจโยนทิ้งความลึกความรู้ของมนุษย์คิดถึงไหม เช็ไม่ถุงนะ Hello, อ่ะฮัลโหลอาคบาลเป็นได้ยังไงอะ่ะแต่นบีสานะเรื่องที่สองเช็ดคุ้ปไฟเวลานมาดนี่ยใส่ถุงเท้าเนี่ยนะก่อนใส่ถุงเท้าเนี่ยให้อาบน้ำนำมาดก่อนพออาบน้ำนำมาดเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเท้าทั้งวันวันนั้นนะไม่ต้องถอดถุงเท้ามาล้างเท้าให้เช็ดบนถุงเท้าเช็ดข้างบนหรือเช็ดข้างลาง่างถัดตามตามปัญญามนุษย์นะ มันต้องเช็ดข้างล่างใช่หรือไม่ใช่พะมันเดินเนี่มันก็เปื่อนแต่ที่ไหนได้อัลลอฮ์สั่นะบีสั่งเช็ดข้างบนอ๋อมันกินไม่ได้กินปัญญาเลยอะศาสนาอุมมัดศาสนาลีบอกว่าเนี่ยถ้าอิสลามน่ยเอามาใช้ปัญญาทุกเรื่องนะถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์นะเช็ดปุ่นพุงเท้าเดี๋ยวไม่ได้กินพลาดเลยฉะนั้นของที่นบีปฏิบัตินะบางทีเราไม่รู้จินตนาก็ไม่ออก ให้ปฏิบัติตามนาบีไปเลยอัลฮัมดุลิลเลาห์เหมือนกันนอ น, นอนนอนนอ น, นอนตะแคงขวาเดี๋ยวนี้เพิ่งมารู้โอ้หัวจใจมาอยู่ด้านซ้ายเวลานอนตะแคงขวาไม่มีอะไรมาทับหัวใจเพิ่งยอมรับการเพิ่งมาอ๋อทีหลังก็จิงอ๋อไม่น่าพูดว่างี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์อลัลลอฮ์ให้ความรู้ผ่านนาบีเป็นความรู้ที่สะอาดแต่บริสุทธิ์ไม่ใช่อ๋ออ๋ออ๋อทำไมว่างไงนะ อัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาอย่างนี้ป็ต้นเอาต่อมาครับเรื่องที่สมมหัพบาตุหูรักนบีรักนบีนะอย่าลืมต้องรักนบีนะรักนบีเนี่ยรักมากอุปการอธิบายนะต้องรักมากกว่าพ่อรักนบีมากกว่าแม่รักนบีมากกว่าภรรยามักรักนบีมากกว่าลูกรักนบีมากกว่าทรัพย์สมบัติ รักนบีมากกว่าตัวเองด้วยถ้าหากใครที่รักสิ่งอื่นมากกว่าอัลลอฮละวะซูนให้รอความวิบัติจะเกิดขึ้ น, น, น, นกับคนคนนั้นสมญาจะหลังตายทั้งหมดอจะ น, นี้ไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งว่ารักนบีเนี่ยนะนาอุมัดเนี่ยนั่งกระทานนาบีท่านเล่าเองนะฉันเนี่ยรักนบีมากกว่าทุสิ่งทุอย่างยกเว้นตัวของฉัน กระจายยังไงรักนบีมากกว่าทุสิมทุอย่างบนโลกนี้ยกเว้นตัวฉันฉันรักตัวฉันมากกว่านาบีนบีบอกอุมัดว่าไม่ได้นะไม่ได้นะอุมัดนะเปลี่ยนว่ า, าฉันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเนยดใหม่เลยนะฉันรักท่านนาบีมากกว่าตัวของฉันนบีตัวไงนะอัลออัลอาเบ เ, เดียวนี้อิหม่างของคุณร้อยเปอร์เซ็แล้วพันเปอร์เซแล้ว เพราะฉะนั้นรักนบีเนี่ยมันต้องรักมากกว่าปูญย่าตยายใช่ไหมที่ที่มีปัญหากันในะบริเวณตะวังกลุมซุนน่ากับกลุ่มมัจจิซุนน่าที่เถียงกันเรื่องอย่างนี้แหละรักนบีจริงหรือเปล่ารักจริงสุลต่านเก่งมาดูเลยทำดูแลบางทีก็สุลต่านผิดด้วยใช่ไมเราก็ไม่ว่ากันตรงนี้นะรักนบีมันต้องรักนบีมากกว่าตัวของเรามากกว่าทุกสิ่งทุกอยา่าง มากกว่าพ่อมากกว่าแม่มากกว่าลูกมากกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศต้องรักนบีให้มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเรียกว่าคนได้เป็นคนรั ก, ร, กรักนบีจริงเอาต่อมาเรื่องทใด น, นะเรื่องที่หนึ่งอีมานก่อท่านมูฮัมหมัดว่าเป็นนบีของเราเรื่องที่สองทำตามนาบีเรื่องที่สมรักนบีข้อที่สปกป้องนบีอัลลอฮฺอักบดุเบตใช่ไหมใคร ให้ตำเนียนาบีเนี่ยเราไม่พอใจอย่างประเทศอะไรนี่ยที่วาดการ์ตูนด่านาบีเนี่ยใช่ไหมอลัลลอักบมุสลิมทั้งโลกไม่มีใครพอใจทุกคนแต่ไอหมาทีมันพูดเวลาตอนนั่งเงียบเียบนึกในใจแอนตี้อย่าอาลัลลอฮฺทำลายกลุ่มนี้ด้วยเห็นมใจต้องตรงนึกนะกันเลยนะปกป้องนาบีนะต่อมาข้อที่หช่วยเหลือ ง, งานศาสนาของท่านนาบีทำยังไง ช่วยเหลืองานศาสนาที่ทํายังไงทำอย่างนี้ซอบ้านนบีทาเป็นแบบมีซอบ้านนบีอยู่คนหนึ่งเขามีความรู้ดีหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วนะเปิดสอนอบรมเอาคุรานมาสอนเอาสุนทร น, านาบีมาสอนอาทิตย์อาทิติละอาทิติละครัง้งวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเนี่ยเรียกคนมาคนก็มานั่งฟังศาสนากันเยอะทั้งผู้หญิงและผู้ชายมากันเต็มเลยยังไง สอนวันเพื่อนรหัสแล้วต่อมามีคนเสนอบอกว่าท่านเอ้ยมันน้อยไปท่านอัมดุลลอออิบุมัสอูดอ่าเป็นโอลมะใหญ่ก็เนี้ขอเสนอทำทุกวันได้ไหมอ่าของมขึ้นเนี่ยของขึ้ น, นทำทุกวันได้ไหมอยากจะฟังศาสนาทุกวันท่านต่อบว่าไงนะฉันกลัวพวกคุณจะอะไรนะจะเบื่อ อัลลอฮฺอักบารเห็นยังครับฉะนั้นอย่าศาสนานี่นะมีไว้ในใจอ่านหนังสือได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าการสอนเนี่ยเรื่องหรือการเรียนการสอนเนี่ยอย่าสอนอย่าเรียนบ่อยๆนะกลัวคนมันจะเบื่ออัลลอฮฺอักบารเห็นยังครับฉะนั้นอบรมได้ดีไม่ดีแต่ว่าอย่าทําอย่าทําทุกวันเช้าก็ทำเย็นก็ทํากลางคืนก็ทําอัลลอฮฺอักบารฉะนั้น ทำอาทิตย์ละครั้งสองอ า, อ า, อาทิตย์จสองครั้งสามครั้งยังก็พอไหวนะอย่าทําถี่นักนะครับอย่ารีบเป็นต้นเอาต่อมาคับข้อที่ 6. อะไรข้อที่หกข้อที่หกเนี่ยให้แสดงมารยาทที่ดีต่อท่านนาบีให้เกียรตินบีด้วยเช่นไปเดินเยี่ยมนบีที่กูโบนนบีที่นครมัลลิน่าเนี่ยนะพี่น้องเราหลายคนด้วยความไม่เข้าใจาอิสลามเนี่ยคิดว่าไอ หินทรายที่เป็นกำแพงกั้นกูโบนาบีอยู่เนี่ยมีบรากัดพอเดินแล้วก็เอามือจับแล้วมารูปหน้ารูปตัวหินช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ถึงจะมีตำรวจบางบีทหารยืนคุมพรามพรามพารามทำไมอะ่ะเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าถ้าของเป็นของนาบีทุกอย่างดีหมดโอโ้ในอินเดียก็เหมือนกัน มีขาวนาบีโอ้โหถูกหลอกกันเต็มเลยผมก็ถูกรลอกด้วยไปเยี่ยมเทียก็เสียสามสิบรูปีห้าสิบรูปี อ, อัลอากระบะก็กเรื่องยาวไม่ไม่เล่าไม่เล่านะครับต อ, อนี้ก่อนเอาต่อมาครับให้เกียรตินาบนีหมายถึงว่าต้องอย่าพูดเสียงดังเกินกว่าเสียงของนาบีใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะข้อที่เจ็ดนะครับอัสลตัวอัลนาบีให้สลวะต่อท่านนาบีทุกวัน นบีสอนอย่างนี้เองนะให้สุลวานนบีเช้าเนี่ยหตอนเย็นรู้ป่าสลวานนบีเนี่ยช่วยในวันกิยามได้ด้วยเป็นฟาอได้ลวาว่าไงครับอัลลอฮุมะลลลมุ hammad วะลาอัลมุ hammad กมสุลลยาลาอิบรอฮมวะลาอัลีอิบรอฮิบินนกะฮามดุมมีดอัลลอฮุมะบาลิกลลามุ h a m m a วะลอลีมุ hammad ก็มาบารักท่านเลยอิบราฮิมฟิลอาแลแมินอินนะ่งกันฮามีดุมม่งมัจิดนี่เป็นก้าศน์เลวาตัต่่อทา น, นาบีที่ดีที่สุดเพราะ น, นาบีสอนนะครับว่ากี่ครั้งครับตอนเช้าห้าตอนเย็นอีกห้านะครับอย่างนี้เป็นต้นข้อที่แปดนะครับนบีรักอะไรพยายามรักตามนาบีนบีไม่ชอบอะไรพยายามไม่ชอบเหมือนนบีพยายามให้เหมือนนบีเลยอัลลอฮฺอักบัด อ่ะคอยยกตัวอย่างท่านอบูบักเรายีจองานดูหลังจากน บ, บีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรียกลูกสาวมาทเยียนไงชอชาบ่กเธอพ่อเนี่ยป่วยนะก็กลัวกลัวตายนะถามลูกสาวไอชาบว่ า, วาจำได้ไหมน บ, บีเสียชีวิตวันอะไรนางก็ตอบว่าเสียชีวิตวันจันทร์ท่านนอนเฉย ถามทําไมอ่ะคำอธิบายคือว่าอยากจะเสียชีวิตในวันเดียวกันกับวันที่ท่านนาบีเสียชีวิตเห็นไหมวันอะไรวันจำฉะนั้นทํารพยายามนบีรักอะไรก็พยายามเหมือนทํานบีพยายามฝึกตัวเองเนี่ยให้เอาเรื่องของนบีรักที่ของนบีชอบเนี่ยมาปฏิบัติกับตัวเองแล้วบอกให้ลูกภรรยาที่อยู่ในครอบครัวนั้นรักนะครับเหมือนเหมือนกันนบีเกลียดอะไรเราก็ต้อง อันตี้เกลียดเหมือน น, บ, น, น, นบีนั่นแหละเช่นนบีนี่น่ะถ้าจะมานะี่ยมาที่มัสยิดนะไม่กินกระเทียมกับหัวหอมเพราะอะไรเหม็นเห็นไหมแล้วเราเนี่ยมีทั้งสามอย่างเลยกระเทียมก็มีแล้วก็หัวหอมก็มียังมีบุรีแถมมาอีกโอ้โหลมันหนักกว่านาบีต่างกี่เท่าอะ่ะคิดว่าบุรีหอมอะ่ะ แล้วก็บางคนเนี่ยนะทำทำทำพิเศษเลยนะสูกมาจากบ้านนะพอมาถึงหนะ้ามาสิก็ทาเนี่ยห oh, าล่อหุอักบัตก้ามาจูบปากนะมาเจออายาอะไรกันเนี่ยเนี่ยนบีไม่ชอบของเหมน็นๆแต่เราชอบของเหมน็นๆเพราะว่าอารมณ์อารมณ์มันเยอะอารมณ์ชายตอนมันเยอะอะต่อมาครับข้อที่เก้ารักครอบครัวของท่านนาบีอย่าลืมนะ รักครอบครัวพยานนบีทั้งหมดมีกี่คนรักหมดเลยพยายามศึกษาประวัติแต่ละคนแต่ละคนเป็นยังไงอโลบัตชั้นหนึ่งจริงๆและลูกหลานนบีมีกี่คนรักหมดอย่าไปเลือกรักอะพยาคนนี้รักคนนี้ด่าเขาว่านั่นรักนบีแต่รักครอบครัวนบีเลยไม่ใช่รักนบีนะครับรักนบีต้องรักครอบครัวของนบีด้วยพยานนบีทุกคนและพยาของนบีคือแม่ของพวกเราทุกคนวันนี้นะครับพระคุณอ่านอธิบายอย่างนั้นนะครับต่อมาข้อที่ ข้อที่สิบอ่าข้อสุดท้ายอย่าทําเกินหน้านาบีอ่าอย่าลืมนะอย่าทําเกินหน้านาบีเช่นนบีสั่งบอกว่าพวกชาติเนี่ยอย่ายกย่องให้เกียรตินบีอีซาพวกท่านเนี่ยยกย่องให้เกียรตินบีอีซาจนกระทั่งยกนบีอีซาเป็นลูกอัลลอฮ์ไปแล้วฉะนั้นอย่าทํากับฉันแบบนี้ไม่ได้ฉันเป็นแค่ บาวของอัลลอ์ที่พิเศษกว่าคืนก็คือฉันเข็นเป็นรอซูลนของอัลลอ์เท่านั้นเองจะนั่นอย่ากราบฉันอย่าบูชาฉันแม้แต่กูโบก็เหมือนกันเวลาตายแล้วเนี่ยอย่า ก, กเป็นกำแพงสูงให้คนไปบูมอย่าทำอย่าทำอย่าทอย่าท ำ, อ ย, าทำอย่าเด็ดขาดกูโบเนี่ยเวลาฝังแล้วเนี่ยให้สูงแค่คืบเดียวนี่นบีสั่งเลยนะการอย่าทำอะไรเกินคาสั่งของท่านนาบี หวังรางวัลตอบแทนจากลอที่มน์มีกี і, k k a, ่ข ah ้อนะสิบข้อนี่คือคนที่ปฏิบัติตามสุตนาอับบีเอาต่อมากับอายที่เท่าไรห้าสิบสามอัลฮัมดุลิลละวะอัคซอมูบิลละฮิจัดะอิมานิฮิมไลนอามรต้ฮุมลายาฮูรนน Um ah> <in> all al <oon> Allahu Akbar ayah ni i กุลลั a ลักซิมุ a ้ a ตุมมารุฟ i อินนัลลอฮะขบิรุมบิ a h ต้ามัลลูอัลลอฮฺอั a บาร์ตัยยานีด rujun กุลล์ตุกซิมุตราตุมมารุฟะอินนัลลอฮะขับีรุบิมาต์อัมาลูนอัลลอฮฺอัลลอัลอัลลอฮฺอัลลออลลอฮลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺาัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอันลอัลัลลลอฮฺอัลลอฮฺออัลล สมีอานาวาอัตอมาอัลลอฮ์สงอะไรทำหมดชีวิตที่ผ่านมาทำอะไรผิดตบอบาตัวที่เหลืออยู่ประคองตัวอาญานี้เล่าถึงอัคลาหนิสัยของคนมุนาฟิกเป็นอย่างนี้ว่าอัปซามมบิลและพวกสับปรับพวกมุนาฟิกชอบอะไรสาบานด้วยพระนามของอัลลอ์คนมุนาฟิกเนี่ย หน้าวายหลังรองเี่ไป น, น้องชอบสาบานจริงรือไม่จริงจริงครับชมชอบสาบานเนี่ยว่าใจไม่ได้ ว, วั ล, ละ ล, ละฉันขอสาบานต่อเรสาบานบ่อยจริงๆแสดงว่าเองแย่มากเลยฉันอยาจะสาบานเยอะใช่ว่าอักมุบิลลาฮิสาบานแบบไหนครับยะไดอมานฮิมไอมา น, นว่าการสาบานยะไดแปลว่าอย่างแข็งขั น, ขน อย่างรุนแรงทำอย่างมากมากอาลัลลอฮ์สั่งนะอัลล์เล่าให้ฟังนะนิสัยของคนมูนาฟิกเป็นอย่างนี้พวกเขาพวกสาตับเนี่ยชอบสาบานด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ซึ่งการสาบานอย่างแข็งขันนะครับพยายามสาบานเดี๋ยวสาบานเดี๋ยวสาบานเดี๋ยวสาบานรู้ปล่าคนที่สาบานเยอะๆน่ะไม่ดีหรอกนะการสาบานเนี่ยหนึ่งคนมูนาฟิกเนี่ยชอบสาบานแต่ไม่ทา สังเกนนะชอบสาบานแต่ไม่ทำนี่อัคลาคยุสัยเดิมที่อลรอดเล่านะชอบสาบานคือชอบพูดแต่ไม่ชอบทำเรื่องที่สองทุกครั้งที่เขาสาบานก็โกหกทุกครั้งเหมือนกันเช่นจะออกสงครามช่วยกับนาบีสัญญาฉันจะช่วยนบีพอสงครามมากูไม่ออกมึงออกไปอ้านาบีผ่านอหมแล้วนี่เล่าให้ฟังเรื่องที่สาม ลาตักลาตุกซิมูอย่าสาบานเลยอัลลอฮ์สั่งถ้าจะทํานะทําเลยอย่าสาบานเลยนี่เตือพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันนะอย่าสาบานเลยถ้าทําก็ทําเลยไม่ทําก็ไปห่างๆไปใช่ไหมอย่าสาบานเพราะว่าคนที่สาบานเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ไม่ชอบทําก็จะชอบพูดแล้วก็สาบานเท่ไรก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามคําสาบานเท่าไหร่ บางคนสาบานผิดเ่ขึ้นศาลเนี่ยสาบานต่อกุรานจยได้เปล่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะถ้าสาบานได้อย่างเดียวกับใครอลัลลอฮ์ฉันสาบานต่ออัลลอฮ์เอาอมือประจับกุรานเนี่ย อ, อัลลอบ์อตมันไม่ถูกอ่ใช่ไหมแต่เมื่อทำเป็นอย่างนี้ทำเป็นระบบประเพณีปฏิบัติไปแล้วอลัลลอ์ไม่ไม่พอใจนะ่ะ เพราะนั่นห้ามสาบานต่อกุรานห้าสาบานก่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าจะสาบานต่อสาบานกับมาเลาะอย่างเดียวนะครับข้อที่สีสาบานทําไมรู้ไหมเพื่อให้สู่ข้ามุสลิมเนี่ยพึงพอใจกุณอ่านอธิบายอย่างนี้ยาหลยาหลีฟูนะละกุมลิตาดาวอันฮุมชอบสาบานเพื่อให้คนที่ถูกสาบานเนี่ยพอใจเออเองทำจริงทําเก่งแต่ไม่ใช่เราก็โง่ก็หมดนั่นแหละ ต่อมาข้อที่ห้าพวกเขายึดการสาบานเนี่ยเป็นโล่เป็นโล่ ป, โลป้องกันไม่ให้ถูกตำหนิช้เรื่องการสาบานเยอะๆนี่ไม่ดีนะนอกจากจะขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยอย่างนี้ได้แต่สเปะสปะแบบนี้ไม่คลัวที่จะสาบานนี่เอาลอสั่งนะเตือนนะคนสาบานชอบสาบานกลุ่มไหนกลุ่มมูนาฟิกอย่างนี้ตัตเ อ, อาต่อมาครับเรื่องที่สอง ละอินอามารต้ฮุมละอินอามารต้ฮุมถ้าท่านนาบีเนี่ยสั่งพวกเขาเพราะพวกนี้ชอบสาบานสาบานว่าไงนะถ้านาบีสั่งสิอ่าเราจะทำทันทีลายักรูยุนน่เขาก็จะออกจากบ้านของเขา ไ, ไปทำไหนออกจากบ้านไปทำสงครามอะเพราะงานสงครามเนี่ยเป็นงานที่มีผลบุญเยอะที่สุดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มากที่สุด ทีคนยะฮูดีกลัวกลัวคนนี่นะคนที่จริงใจต่ออิสลามกลัวคนนะนะคนมุจาฮีดีนคนมุจยาฮีดีเนีย่ยเรามีสิทติ์อยู่สองข้อที่ยะฮูดีกลัวมากหนึ่งไม่กลัวตายสองไม่หลงดุนยาไม่กลัวตายไม่หลงดุนยาถ้ากลุ่มนี้อยู่ที่ไหนก็ตามทุกคนกลัวหมดอนะ ท่านบุญญาดีมีลักษณะเด่นสองข้อหนึ่งอะไรนะไม่กลัวตายสองไม่หลงดุญญลยญญามีกี่ข้อห้าข้อหนึ่งผู้หญิงสองเงินสมตำแหน่งสี่กิจติยศหชื่อเสียงถ้าเราไม่หลง5ข้อนี่นะดุลยาสำหรับเราเนี่ก็แค่จิบจ้อยอมีบ้านสบายหนึ่งหลังมีดุลยามีเมียดุลยาใช่ไหมอะแต่เรามีดุลยาทั้งหมดแต่เพื่อมาเสริมอิสลามยันนี้ตางหาที่บอกว่าคนไม่กลัว อะไรไม่ไม่หลงดุญยาถ้าหลงดุญยามีตำแหน่งหน่อยทิ้งนมาแล้วมีบ้านหลังโตๆหน่อยอลลอตการ์โบวะเยอะยิงจองของในบ้านจะมีเสียงอาญาไมีเสียงนมาถ้วมีไปทำอะไรห่างออลมีตำแหน่งรุ่นตำแหน่งนี้ไม่เคยช่วยดูแลอิสลามให้ดีขึ้นไม่เคยเลยถ้งว่ามีไปทำอะไรอั่นนี้เป็นต้นแล้วก็ ไม่กลัวตายอลัลลอฮฺฉะนั้นที่ทั้งโลกนี้นะที่น่ากลัวน่ากลัวมู ญ, ญาิดีนนะครับเพราะมู ญ, ญายดีนมีสองข้ออะไรนะไม่กลัวตายกับไม่หลงดุนยาไอ้หลงดุนยาเนี่ยมันปิดตาตัวเองนะมองภาพอาคิเร้องไม่เห็นเลยหลงดุนยามองภาพอาคือร้องไม่เห็นอาผมขอเล่าซอ บ, บ้านนาบีคนหนึ่งนะอยู่บนดุนยาจ่ใจอยู่อาคือระอง ชั้นอัมดุรัมอัมดุรัมอัมดุลลาบินรอวะฮ์นอนเอาศีรษะนอนบนตักภรรยาคือทำกันเปล่าดีมากเลยนะเอาศีรษะนอนบนตักภรรยาซอบ้านในดีชื่ออัมดุลลาบินรอวะฮ์พอนอนเสร็จแล้วก็ภรรยาร้องไห้สามีถามว่าเธอร้องไห้ทําไมอ่ะ ายาก็บอกว่าก็พี่ร้องไห้ก่อนนะแล้วพี่ร้องไห้ทำไมอะ่ะสามีตอบที่ฉันร้องไห้นะ่ะฉันคิดถึงอายะกุรอานในสุระมะริยามหนึ่งอายะคิดถึงโลกอาคิรออายะนั่นสอนว่าอิมมิงกุมอิลล a าวาริดูฮว่าอิ ม, มิงกุมอิลลาวาริดูฮแปลว่าอะไรไม่มีใครรอดสักคนหนึ่ง ทุกคนจะต้องเดินผ่านนารกนอนอยู่บนตักภรรยาใจนึกอะไรอาคิรนี่กี่คนครับความจริงท่านนอนบนตักนึกเรืองเซ็ใช่ยหรือไม่ใช่อ่ะจี่งไม่มีนอนบนตักอย่างเดียวเรื่องเซ็กไม่เกี่ยวคิดอาคิโรผ่านอะไรผ่านอัลกุรอห์เห็นยังครับตัวอยู่บนดุนยา ใจอยู่อาคิร้นโน่นนะคิดอะไรคิดผ่านอัลกุรอานว่อาอิมมิงกุมอิลลาวาดดุฮาอัลลอฮเห็นอย่างครับนี่งาซอบ้านนาบีครับนั้นเราไพยายามปรับตัวของเราเนี่ยให้เอาอามันซอและ ข, ของบรรดาซอบ้านนาบีเนี่ยมาชัฒนาตัวเองเอลัลลอฮงอนนอนอยู่บนดุญยานี่ใจนึกอาคิรจะเชื่อกูบาที่เทเพื่ออลัลลไม่หวังอะไรเลย เลือกวัวตัวงา ม, งามอยาไปจู้จี่เยอะอดูมันสมบูรณ์เท่าไรไม่ตั้งใจไปไม่ใช่ทาตัวไว้ในบ้านหมดเลยเนื้อหันแลกกับตากแดด ก, กินกันอร่อแล้วคนอื่นไม่ได้อยาพี่น้องไม่ได้ใช้เอาส่วนหไหนมาใช้ให้แจกเยอะหน่อยใช่ไหมเหลือก็เราเล็ก น, อน้อยมันมีปัญหานี่เล่นวาตี่บ้านนะเป็น8ปดกิโล พี่น้องครับก็ขอเตือนนะี่ยนะให้กำลังใจพูราตุเองว่าพนันนะครับนึกถึงอาคเรอเยอะๆอยู่บนดุญญนยาเบนี่และคนละคนไม่ไ ม, ไม่กลัวตายเสีอย่างเนี้นะอ๋อโรอักวะตายเมื่อไหร่พร้อมต้องเตาบ้าตัวนะคนที่ไม่กลัวตายแสดงว่าเขาตาบ้าตัว ต, วตวลอดเวลานะครับเอาต่อมาครับละกุลมุฮัมมัดเอ๋ยจงบอกกับคนมูนาฟิกบอกว่าลตุกซีมูยาสาบานเละ หยุดสาบานได้แล้วสาบานมากี่ครั้งลแล้วไม่เคยทำตามที่อัลลอฮฺละซูลสั่งสักทีหนึ่งเลิกสาบานหยุดสาบานได้แล้วอา้าววักตัวไปตอาตุมมารูฟาให้นักเรียนจําสั์นี้ด้วยนะตอาตุตอา ต, ต, ตุมมารูฟาตรงนี้ดีมากนะครับแปลว่าไรนะการเชื่อฟังปฏิบัติตามโดยชอบธรรม การปฏิบัติตามนะครับการเชื่อฟังปฏิบัติตามมารูฟะโดยชอบทําดีกว่าถ้าจะทําตามอัลลอฮ์สั่งเนี่ยต้องสาบานทําไมจะทําตามสุนนะนาบีต้องไปสาบานทําไมตออาตุลยอมจํานวนตนต่ออัลลอฮ์แบบไรนะแบบสง่างามอัลลอฮ์ดีกว่านะครับตออาตุลมารูฟะ เชื่อฟังปฏิบัติตามโดยโชคธรรมไม่ต้องสาบานนมาตรหัตยุทธ์ทำด้วยความเต็มใจมาเดินมานมาที่มัสยิดทำด้วยความเต็มใจเชื่อกรุบานบริจาคให้ญาติพี่น้องด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรไมาเกี่ยวข้องเลยฉันก็เอาลอตรงตรงโยงกัเอาลอตรงตรงก็เรียกว่าตออาตุนมะรูฟะ มารูปไปวันนะโดยชอบทำต่อเชื่อฟังปฏิบัติตามบัลลต์โดยชอบทำอลัลลอพี่น้องแคนั้นพี่น้องเราไปทำฮัตเนี่ยน บ, บีพูดเองนะไปอยู่สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปเพื่ออลัลลอฮฺเราซูลจริงๆเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกสองกลุ่มไปเพื่อทำธุรกิจมีไหมมีครับอีกกลุ่มหนึ่งไปว่าไปยี่สิบห้าครั้งและเองเท่าไหร่ วัวยี่มห้าเลยนะเอ๊ะจะเพิ่งสอนเวลาแขกไปใครมาที่บ้านคุยอวดนะลูกเอ้ยมีแขกมาที่บ้านเนะนี่ยสี่คนลูกเอ้ยเอาอินทรพาลามเอาขนมที่อยู่ในครัวนะแต่เอาภาชนะที่อยู่ในตู้ที่ม้าซื้อมาจากมักกะตอนไปทําพัรั้งที่สิบห้านะลูกเอ้ยเอาออกมาเอามาเรียงใครบาเรียงแขก ไอซิมฮานุไซทำไมอ่ะก็นี่ไงการประธรรมะยีมีสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปเพื่ออัลลอฮ์เพื่อตาบาตัวต่ออัลลอฮ์กลุ่มที่สองอ่ะไปทําธุรกิจพาส่งสินค้ากันไปขายกันนบีเล่าให้ฟังน่ะมาในตํตาหนินะเล่าให้ฟังแล้วกลุ่มที่สามนี่นับจํานวนกี่ครั้งแล้วก็ข อ, ขอท่านเป็นน้องคิดโอ้เราไปแบบไหนวะเนี่ยกรไปแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือแบบที่สามก็นี่ไง ถ้าไปแบบทีหนึ่งเขาเรียกว่าปออาตุลมะลูฟะทำความดีปฏิบัติตามคำสั่งของลอแบบชอบทำไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเลยไปไปคุยที่ธรรมศาสตร์รังสิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมุสลิมมาเต็มเลยนะปิดหน้าคขึ้นหนึ่งมีประโยถึงถามผมผมสะดุดใจนะอาจารย์ี่อธิบายคำว่าลอีละอินลอลอหน่อยอัลลอ อธิบายคำว่า il ละอิละอิลลอฮฺอัลลอฮต้องอธิบายเพราะบางคนยังไม่เข้าใจคำว่าละอิละอิลลอฮฺแปลว่าอะไรนะถ้าอธิบายต่อเวลาหมดไปน้องเอาแค่นี้ก่อนปออาตุลมารูฟะการเชื่อฟังปฏิบัติตามโดยชอบทำนั้นดีกว่าดีกว่าไปสาบาลดีกว่าทุกสิ่งที่อธิบายไปแล้วทั้งหมดที่นะวักสุดท้าย อินน <S ess of all> ัลลอฮฺขบีรุมบิมาต์อัมาลุนแท้จริงอัลลอฮฺขบีรุมบิรีมแปลว่าอะไรนะแปลว่ะงานอัลกุรอานรู ي ي ้ดียิ ي ي ่อัลลอฮฺเนี่ยรู้ดียินอัลิมก็บแบบว่ารู้ขบิรเน่ยว่ารู้ยิ่งรู้ดียิ่งรู้แบบละเอียดเลยนี่นะ บิมาตามาลูนในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติอธิบายยังไงอุลมะอธิบายดีมาจำภาษาอุ ด, ดูทั้งหมดนี่นะอธิบายอย่างนี้มนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายหายใจกี่ครั้งอลัลลอฮฺรู้เราได้ละละรู้ไหมล่ะหายใจเนี่ยจนกว่าจะตายกี่ครั้งตาเนี่ยกระพริบตั้งแต่เกิดจนตายกี่ครั้ง เนี่ยขอบิลรูปแบบละเอียดยิบเลยแล้วก็หัวใจเนี่นะหัวใจเต้นเนี่ยกี่ครั้งหัวใจอยากเนี่ยอยากความชั่วกี่ครั้งอยากความดีกี่ครั้งร้วยพระเงลิ้นเนี่ยกระดิกกระดิกกะดิ ก, ด ก, ด ก, ดกนี่นะกี่ครั้งพูดเรื่องดีกี่ครั้งแล้วพูดเรื่องชั่ ว, วกี่ครั้งคนที่อยู่ในร่างกายของเราอัลลอฮ์รู้หมด แม้แต่ร่วมไปกี่สน้นวันหนึ่งอลัลลอฮ์รู้อย่างละเอียดด้วยมื่ถึงเก้าเดินไปทางไหนบ้างกี่เก้าจนกว่าจะตายและเก้าวไปทําของดีดของฮาราเนี่มามัสยิดกี่เก้าที่ไอไปที่อื่นที่รางวันไม่มีเลยนะ่ะกี่เก้าอาลัลลอฮ์อธิบายจิบในโลกอาคีรอขอบีดรู้แบบละเอียดจิบพออ่านตรงนี้แล้วใจอ่อนหมดเลยเอลัอลอลอฮ์อัลลอฮ์อักุบะ งั่นความชั่วอาญาทําเลยไปน้องทําความดีเยอะๆเนี่ยอลัลลอฮ์แฉในพันเกียรติมาละหน้าแตกกันหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮฺขอบีรุมบีมาต่างมาลุนแท้จริงอัลลอฮ์อินอัลลอฮฺขอบีรูร้แบบละเอียดยิบบิมาต่างมาลุนในสิ่งที่พู้ท่านทั้งหลายปฏิบัติอัลลอฮฺอักบัดหมดหมดเวลาที่มันอัลลอฮฺอายาสสุดท้ายอ่านอันไม่ทัน n a k a b s u b h a n a k a l l a h u m m a wa bihamdik aswalailah illa Anta a s t a q f i r kawatul boilak i wassalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh.